วันนี้มีเรื่องเล่าจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ธนาคารสํานักงานใหญ่แห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพนะคะซึ่งผู้ที่ประสบพบเจอเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยแกก็อายุอนามประมาณ35ปีแล้วซึ่งก็นานมาแล้วนะสําหรับเรื่องนี้ พี่คนนี้เนี่ยแกทำงานตั้งแต่เช้าเลยละ่ะค่ะทำงานธนาคารแต่ว่าธนาคารจริงๆก็คือเปิดประมาณ10โมง11โมงแต่ว่าแกก็ต้องมาแต่เช้าเพราะว่ามาเตรียมเปิดตู้เซฟนําเงินออกมาให้เคาน์เตอร์แล้วก็ต้องเช็คเงินเนี่ยว่าพอแกสาขาต่างๆไหมวันที่เกิดเรื่องเนี่ยแกมาแต่เช้าเช่นเคยค่ะ แกก็บอกว่าแกเดินเข้ามาในธนาคารแล้วแกก็เจอพี่พนักงานขนเงินคนหนึ่งซึ่งตอนที่เดินสวนทางกันเนี่ยแกเห็นพี่คนนี้เนี่ยหน้าตาซีดเซียวก็ด้วยความสงสัยก็เลยถามไปบอกอ้าวพี่เป็นอะไรหรือเปล่าหน้าซีดไม่สบายหรือเปล่าพี่พนักงานคนนั้นเนี่ยก็เลยตอบมาบอกว่าไม่สบายเป็นมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็เลยถามกลับไปแล้วมาทางานทาไมพี่ทาไมไม่ไปหาหมอลางานไปเลยพี่คนนั้นก็บอกครับผมมาลางานครับ แล้วก็เขียนใบลาแล้วก็วางไว้ให้พี่แกนะคะหลังจากนั้นแกบอกว่าแกคุยกันกับพี่คนนั้นอีกหลายเรื่องคือมีงานบุญที่แกฝากเงินไปทําบุญเนี่ยจะเป็นผ้าป่าหรือว่ากรถิ่นเนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันรู้แต่ว่าพี่ที่ขนเงินเนี่ยเป็นคนที่เรียรย์ไรเพราะว่าเป็นวัดใกล้กันกับบ้านของแกพี่แคทเชียคนนี้เนี่ะแกก็ถามว่าทางวัดนี่ได้เงินเท่าไหร่แล้ว มีงานอะไรบ้างเช่นมีการแสดงลิเกมีรำวงมีหนังกลางแปลงอะไรอย่างนี้ไหมคุยกันไปเรื่อยๆเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วพี่ที่ขนเงินเนี่ยแกก็ลากลับบ้านแกบอกว่าแกจะไปโรงพยาบาลพี่แคชเชียร์คนนี้ก็บอกเออดีแล้วจะได้หายแล้วก็แยกย้ายกันไปนะคะ พี่แคชเชียคนนี้ก็ไปเตรียมเอกสารจะเบิกเงินแล้วแกก็ไปชงกาแฟที่ห้องสันทนาการทีนี้พอแกเข้าไปแกก็ไปเจอพนักงานกลุ่มหนึ่งกําลังจับกลุ่มคุยกันเรื่องพนักงานคนหนึ่งของธนาคารที่ถูกรถสิบล้อนี่เหยียบตายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแกก็เลยเข้าไปร่วมวงด้วยนะคะไปถามไปฟังไปพูดไปคุยว่าพนักงานคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นใครพนักงานที่กําลังคุยกันอยู่คุณผู้ฟังก็บอกชื่อว่าเป็นพี่คนนี้นี่นี่ แค่เชียร์ถึงกับเสดุงเลยอ้าวตายค่ะก็กูเพิ่งเจอกันกับพี่เขาเมื่อกี้นี้แกจะเสียชีวิตได้ยังไงแกยังมาลางานอยู่เลยก็เลยนึกนะฮะว่าเอ๊ะกลุ่มพนักงานที่นั่งจับกลุ่มคุยกันเนี่ยพูดล้อเล่นกันหรือเปล่าหรือว่าโกหกอะไรกันหรือเปล่าแกก็พยายามนึกแหละนะคะจนถามถามไปถามมาก็ได้ว่าพี่คนนี้เนี่ยแกเสียชีวิตไปแล้วจริงๆ แกก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะแต่ก็ก็พยายามเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆที่คุยกันเป็นชั่วโมงๆพี่พูดที่ตายเนี่ยได้ความว่าแกไปกินเหล้าที่งานบุญเนี่ยแหละนะคะจนเมาไม้แล้วบอกคนในงานบอกว่าจะกลับบ้านทีนี้พี่เขาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปสุดท้ายก็ไปชนกันกันกบรถ10ล้อเสียชีวิตคาที่เลยนะคะพอได้ฟังเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ได้รับคํายืนยันว่ามันคือเรื่องจริง ช็อกเลยค่ะคุณผู้ฟังพี่แคทเชียคนนี้เนี่ยรีบไปบอกผู้ช่วยของแกบอกสมุหะของแกบอกขอลางานแกบอกว่าแกจะไปทำบุญถวายสังฆทานสักก้าวัดในวันนั้นเลยเพื่อที่แกจะได้ไม่ต้องเจอพี่คนนั้นอีกนะคะเรื่องราวที่เล่ามาพี่คนนี้ก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยบอกเฮ้ยนี่มันคือเรื่องจริงนะคุณบีต้องเอามาเล่าให้ได้นะคะ เหตุการณ์แบบนี้นะคะคุณผู้ฟังบีเองก็เคยได้ยินแล้วก็เคยได้ฟังมาจากผู้เฒ่าผู้แก่เหมือนกันที่บอกว่าจิตสุดท้ายก่อนตายเนี่ยยังคงพวงกับภาระแล้วก็หน้าที่ ก็ยังคงมาทำงานทําการกันอยู่เหมือนเดิมแม้ว่าตัวเองจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเคยได้ฟังเรื่องราวที่คล้ายคล้ายกันแต่ว่าต่างสถานที่ต่างเหตุการณ์กันนะคะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจยกับญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยค่ะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาทางแฟนเพจพระเจอผีของเราใน Facebook นะคะ เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณปู่ค่ะคุณปู่ที่แกเข้าไปยิงสัตว์ไปหาล่าสัตว์ในป่าเมื่อสัก 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยนะคะซึ่งคุณปู่นี้ก็อายุ72ปีแล้วแกเข้าป่าไปเนี่ยหลายเดือนมีอยู่วันหนึง่ง เพื่อนปู่คนนึ่งนี่เดินมาชวนไปเข้าป่าอีกซึ่งก็เป็นป่าเดิมนะคะที่โดนคุณลุงยิงนั่นแหละถ้าคุณผู้ฟังเคยฟังก็จะเป็นเรื่องเรื่องของอคุณปู่ที่อายุ72ปีที่ไปหาล่าสัตว์แล้วก็โดนลูกชายตัวเองเนี่ยิยงเนื่องจากเห็นว่าคุณปู่เนี่ยเป็นสัตว์ป่าซึ่งจริงๆมันเป็นผีป่าบาังตานะคะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับช้องหมูป่า พอได้ยินคําว่าช้องหมูป่านีคะคนที่ทางเรียนรู้ทางศิลศาสตร์หรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านของพวกเครื่องรางของขลังเนี่ยคงจะรู้จักกันดีแต่ทีนี้เนี่ยบีขออนุญาตนะคะอธิบายคําว่าช้องหมูป่าคําว่าช้องหมูป่าเนี่ยมันคืออะไรนะคะมันก็เป็นเส้นขนพิเศษของหมูป่าที่ขึ้นอยู่บริเวณตัวของหมูป่านั่นเองโดยเฉพาะ ที่บริเวณหัวค่ะหรือว่าวางคิ้วของมันมันมีความยาวเป็นพิเศษซึ่งนักสัจศาสตรน์นิเชื่อกันว่าเป็นของหลังชนิดหนึ่งซึ่งมีอิทธิฤทธิ์ด้านคงกระพัณมหาอุดส่วนอีกกลุ่มเชื่อนะคะว่าช้องหมูป่าเนี่ยคือขนที่ยาวเป็นพิเศษกว่าหมูป่าโดยเฉพาะหมูโทนซึ่งหมายถึงหมูตัวผู้ที่ชอบหากินอยู่ตัวเดียวอย่างทร์นงค่ะมันก็จะมีขนเหนือสันหลังขึ้นมาจนถึงโหนกคอ ยาวเป็นพิเศษเหมือนกันเหมือนหางเปียย้อยลงมาตรงหน้าผากยาวจนถึงปากของมัน หมูป่ามันจะคาบช้องของมันเอาไว้ตลอดเวลานะคะโดยพันเอาไว้กับเขี้ยวด้านหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่าช้องหมูป่าแบบนี้เนี่ยมีความคงกระพันมหาอุดคุ้มครองทั้งหมูที่เป็นเจ้าของช้องแล้วก็คนที่มีช้องของหมูป่าไว้ครอบครองส่วนความเชื่อของกลุ่มหลังสุดเนี่ยค่อนข้างจะพิสดารแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะคะซึ่งเชื่อกันว่าช้องหมูป่าเป็นขนที่ขึ้นอยู่บริเวณลูกอัณฑะของหมูป่าซึ่งอาจจะเรียกว่าขนเพชรหมูป่าก็น่าจะ ได้เหมือนกันซึ่งก็จัดว่าเป็นขนลักษณะพิเศษนะคะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหมูป่าโทนตัวที่ชอบออกหากินตัวเดียวไม่เกรงกลัวใครจะใช้ปากแล้วก็ฟันเลียแล้วก็กัดขนช่องของมันมาไว้ในปากตวัดแล้วก็เคี้ยวด้วยน้ําลายจนขนเนี่ยรวมตัวกันเป็นวงกลมหรือขมวดเป็นวงกลมหรือวงแหวนหมูมันจะรักษาขนนี้ไว้ในปากตลอดเวลานะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะกินอะไรมันก็จะซ่อนเอาไว้ในปากได้อย่างน่าประหลาดค่ะ หมูป่าตัวนั้นนะคะจะมีความอยู่โยงคงกระพันเป็นมหาอุดตลอดเวลามันมีขนนั้นอยู่ในปาก ลูกกระสุนปืนนายพรานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กลูกใหญ่ปืนระดับไหนก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้ดังนั้นนะคะพรานป่านักล่าทางไสยศาสตร์จึงต้องคอยติดตามหมูตัวที่ต้องการไปคอยจนมันกินน้ํำละค่ะซึ่งตอนมันกินน้ํานี่เองหมูเนี่ยมันจะคลายขนหรือช่องหมูป่าออกมาวางไว้บนโขดหินบ้างบนขอนไม้บ้างเพื่อให้มันกินน้ําได้อย่างสะดวก ซึ่งพอมันคายช่องหมูป่าออกมาแล้วนายพรานก็จะยิงหมูตัวนั้นได้แล้วค่อยไปเก็บเอาช้องหมูป่ามาเป็นเครื่องรางของขลังติดตัวกันซึ่งเชื่อกันว่านามันจะทำให้ปืนเนี่ยยิงไม่ออกหรือยิงไม่เข้าแต่ว่าต้องพกติดตัวตลอดเวลาห่างแค่คืบแค่สอกก็ไม่สามารถคุ้มครองป้องกันได้นะคะนี่ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจากคนเฒ่าคนแก่ทีนี้เนี่ยคนที่ เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยนะคะบอกว่าคุณปู่เนี่ยแกก็ถูกชวนไปเข้าป่าที่เดิมที่คุณลุงเนี่ยยิงแกนั่นแหละแกบอกไอ้เจริญมึงเข้าป่าได้ยังวะเออกูเข้าได้นานละรอมึงชวนกูเนี่ยงั้นพรุ่งนี้ตีสาออกเดินทางเลยแล้วกันคุณปู่ก็บอกเออเออตีสามของอีกวันหนึ่งคุณผู้ฟังคุณปูณป่ก็ออกจากบ้านไปกับเพื่อนแต่ว่าคุณลุงไม่ไปด้วยนะซึ่งหลานคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยก็เลยถามปู่ไปบอกอ้า ปู่ไม่เอาลุงไปอีกหรอปู่บอกปู่กลัวตายหนังเหนียวก็จริงแต่มันก็มีเวลาดับของมันอยู่ละจิตลุงมึงเนี่ยก็ยังไม่แข็งพอด้วยก็เลยไม่เอาไปปู่ก็เลยเล่านี่ะว่าปู่เนี่ยพาเพื่อนของอ่าของปู่เนี่ยเข้าไปลึกกว่าเดิมอีกประมาณ 1-2 กิโลก็ไปทําห้างสองสัตว์ละค่ะแต่ว่าปู่บอกว่านั่งทั้งคืนไม่มีตัวอะไรออกมาเลย พอเช้ามาปู่ก็เลยบอกกับเพื่อนว่าวันนี้เนี่ยกูเดินเหนื่อยทั้งวันและกูยังยิงไม่ได้สักกระตัวงั้นก็เดินไปเรื่อยๆดีกว่าก็เลยเดินกันไปเรื่อยๆค่ะจนมาถึงต้นกล้วยป่าก็เห็นหมูป่าตัวหนึง่งเขี้ยวของมันนี่หูยาวเป็นนิ้วๆเลยนะเห็นในระยะไม่เกิน15เมตรปู่ก็เลยบอกเพื่อนว่าเอาหมูป่านี่แหละ ปู่ก็เลยเอาลูกซองเบอร์12เลยนะประทับขึ้นบาทเล็งขึ้นไปที่หมูป่าค่ะแล้วเพื่อนปู่ก็ใช้ลูกซองลูกโดดซึ่งเป็นลูกที่ทำเองปืนลูกซองตราเสือสมัยก่อนนะแต่ว่ามีทะเบียนเรียบร้อยแล้วทันใดนั้นก็เหนียวไกล ย, ยิงค่ะหมูอ่าคือเล็งระยะว่าจะต้องโดนหมูป่าและมันก็โดนจริงๆและเพื่อนปู่ก็ซ้าด้วยลูกโดดไปอีกลูกอ่าไปอีกนัดหนึ่งแต่ว่าพอสิ้นเสียงปืนคุณผู้ฟัง สองคนปู่กับเพื่อนต้องตกใจเพราะว่าหมูป่าเนี่ยมันหันมาทางปู่แล้วก็เพื่อนไม่มีรอยกระสุนเลยแม้แต่น้อยแล้วก็วิ่งปรีเข้ามาปู่ตะโกนบอกแม่งเล่นกูอีกแล้ววิ่งสิฮะรออะไรทีนี้เนี่ยปู่บอกว่าต้องวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยคือวิ่งขึ้นต้นไม้ค่ะไอหมูตัวนี้มันก็กัดต้นไม้เหมือนจะกัดให้โค่นลงมาให้ได้ก็เลยถามปู่ไปบอกว่าอา้าปู่ทาไมไม่ยิงซ้าไหนปู่บอกว่าปู่มีคาถาลูกก้า ต่อให้เหนียวแค่ไหนก็ยิงเข้าปู่ก็เลยบอกมึงวิ่งขึ้นต้นไม้มึงคิดว่ามึงจะถือปืนอยู่เหรอเออก็เลยโยนทิ้งไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ยิงนั่นแหละแล้วปู่ทำยังไงปู่ก็เลยยกมือไหว้ขอโทษขอขมาสิท่านอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะฮะบนต้นไม้เนี่ยหมูมันถึงไปปู่ยังเล่าเสริมอีกนะคะบอกว่า ถ้าไปเจอหมูป่าที่มันตายเองแล้วมันมีช่องหมูป่าด้วยเนี่ยจะต้องทําพิธีขอเป็นเครื่องรางของขลังอย่างดีเลยแต่ปู่บอกกูไม่เอาหรอกไม่คุ้มหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยคุณผู้ฟังครับป่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นเรื่องราวลึกลับเรื่องราวน่ากลัวที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือแม้กระทั่งที่เรามองเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นเป็นคนนะแต่จริงเป็นเสือสมิงก็มี เห็นเป็นคนนะยิงเข้าไปพอล้มลงไปปุ๊บอ้าวเพื่อนกูแบบนี้ที่เขาเรียกว่าผีป่าบังตาหรืออะไรต่อมีอะไรที่คนเท่าคนแก่เล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวเรื่อง ต, อต่อไปคุณผู้ฟังบีจะพยายามหาเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับป่าเนี่ยมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้ค่ะขอบคุณสาหรับผู้ที่เล่าเรื่องนี้มาให้เราได้ฟังแล้วก็นามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังต่อไปด้วยค่ะ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของคนที่ถูกผีหลอกกันบ้างหลายๆท่านอาจจะได้ยินได้ฟังพระหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่นะคะบอกว่าคนที่โดนผีหลอกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผีออกมาให้เห็นก็แค่อยากให้เราแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แต่ว่าจะมีแค่บางเคสเท่านั้นหรือว่าน้อยมากนะคะจะเป็นแนวอาฆาตซึ่งจาพวกนั้นนี่จะออกไปในทางเจ้ากรรมนายเวรซะมากกว่าหรืออาจจะเคยไปทาอะไรให้ หรือดวงสมพงกันแล้วค่ะมีวาสนาบีมบา ร, รมีต่อกันก็เลยมาปะกันให้คนโบราณเคยกล่าวไว้นี่คะว่าคนเห็นผีเนี่ยคือคนมีบุญอันนี้คือคนมีบุญนะเคสแรกเคสที่สองค่ะคนดวงตก อันนี้เนี่ยผู้ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังใน Facebook แฟนเพจของเราก็บอกว่าขอยืนยันครัว่าเป็นจริงเพราะว่าสิ่งที่จะเล่าให้คุณบีฟังต่อไปนี้เนี่ยมันพิสูจน์ได้กับตัวหนึ่งเองเรื่องราวของคุณหนึ่งค่ะบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปลายปี60แม่ของแม่ครูของคุณหนึ่งเนี่ยซึ่งท่านเป็นค า, ารวาสที่ปฏิบัติธรรมชอบทำบุญนั่งสมาธิจนได้รู้ได้เห็นมากกว่าคนทั่วไปนะคะท่านก็แนะนําให้สวดมนต์บทหนึง่ง เพื่อช่วยให้เราเนี่ยพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามอยู่ให้ผ่อนร้ายกลายเป็นดีด้วยความที่ศรัทธาในตัวของท่านมากแล้วก็ได้รู้จักท่านตั้งแต่ท่านเริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ๆจนวันนี้เนี่ยก็นับว่ายาวนานละส2 1 3ปีแล้ว <c oughs> ก็เลยเริ่มสวดมาเรื่อยๆติดต่อกันประมาณ2ออาทิตย์เห็นจะได้สวดทุกวันสวดอย่างตั้งใจ ซึ่งบทสวดนี้ยาวประมาณ11หน้ากระดาษเลยทีเดียวเนื้อหาของบทสวดก็จะประกอบไปด้วยคำอธิษฐานบทแผ่เมตตานะคะจนเริ่มเห็นอะไรแปลกๆด้วยตาเนื้อซึ่งตรงนี้ขออธิบายก่อนว่าโดยปกติเนี่ยเราเป็นคนที่เคยมีเซน์แต่ไม่ค่อยชัดมากอาจจะสัมผัสได้แค่ขนลุกตามจุดต่างๆของร่างกาย ซึ่งพอจะทราบได้ว่าจุดนี้คือใครเช่นตรงบริเวณนี้นะคะบริเวณศีรษะด้านขวาเนี่ยจะเป็นครูบาอาจารย์ที่คอยคุ้มครองถ้าจุดบริเวณจากเท้าถึงหัวเข่าเนี่ยก็จะเป็นพวกสัมภเวสีแต่หลังจากที่สวดมนต์คราวนี้คุณผู้ฟังมาให้เห็นแบบ Full HD เลยจนต้องหยุดสวดเพราะว่ากลัวใจตัวเองค่ะกลัวจะรับสภาพที่มองเห็นไม่ได้คือใจยังนิ่งไม่พอยังไม่มีสติยังไม่มีสมาธิที่ดีพอ เรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งหลังจากที่ตัวขวงคุณหนึ่งเองเนี่ยได้สวดมนต์บทที่ครูให้ก็เดินไปทางไปหาแม่ครูแต่ว่าระหว่างทางนะคะก็ไปหาแม่ครูเนี่ยต้องผ่านหน้าค่ายทหารแห่งเนื่องซึ่งเป็นถนนค่อนข้างเปลี่ยวมีไฟฟ้าส่องสว่างเป็นระยะนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยไปกับแฟนแค่สองคนคุณหนึ่งเองก็เป็นคนขับรถละค่ะ พอขับรถไปถึงตรงหน้าค่ายเอ๊ก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเสื้อผ้าไม่ใส่แขนขายาวผิดปกติผมยาวดุงรังยืนนิ่งๆตรงบริเวณต้นเสาไฟต้นสุดท้ายที่ติดชายป่าเขตทหารซึ่งไฟจากต้นเนี่ยมันก็ส่องลงมาทำให้เห็นได้ชัดว่าเป็นคนเป็นผู้หญิงรูปร่างแบบชัดเจนมากแต่ว่าตัวของคนหนึ่งเอ ง, เองเนะก็บอกว่ายังไม่ได้สนใจอะไรมากก็คิดแค่ว่าเอออาจจะเป็นคนบ้าก็ได้ แต่ก็ยังเหมือนค้านในใจตัวเองว่าเอ๊ทางเปลี่ยวขนาดนี้บ้านคนก็ไม่มีแล้วคนบ้าที่ไหนจะมายืนตรงนี้จนไปถึงบ้านแม่ครูค่ะก็คุยธุระกับแม่ครูจนเสร็จก็เลยเล่าให้แม่ครูฟังว่าตอนขับรถผ่านเนี้ยนะแม่หนูเห็นอะไรแปลกๆเหมือนคนบ้านี่เป็นผู้หญิงเสื้อผ้าไม่ใส่มายืนตรงนั้นแต่แปลกนะแค่ไมแขนขาเขาแบบมันดูยาวผิดปกติแฟนก็นั่งนิ่งบอกไม่เห็นมีอะไรเลยคิดไปเองหรือเปล่า แม่ครูก็ยิ้ ม, ม อ, อ่อนๆนะคะยิ้มมุมปากแล้วก็พูดว่าลูกศิษย์แม่ครูเนี่ยเจอกันบ่อยใครผ่านมาทางนั้นเนี่ยก็เห็นแบบเดียวกันหมดแต่เขาไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะเขาไม่ใช่คนงงค่ะงองูสองตัวมาประกบปุ๊บงงเลยคืออะไรคะครูไม่ใช่คน แม่ครูแกก็เลยอธิบายว่าเขาไม่ใช่คนเขาคือสัมภเวสีที่ติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เขาคอยออกมาปรากฏร่างให้คนเห็นเพียงหวังแค่ได้รับส่วนบุญแล้วก็ถูกปลดปล่อยออกจากการจองจำณนะที่แห่งนั้นเท่านั้นเองกว่าเขาจะรวบรวมพลังได้เนี่ยมันนานพอดูเลยนะเขาน่าสงสารมากคุณหนึ่งเมื่อได้ยินแบบนั้นนะคะก็รู้สึกสงสารปนความงงปนความกลัว เมื่อคุยกับแม่ครูเสร็จก็ขอตัวลากลับบ้านซึ่งตอนขากลับก็ต้องผ่านเส้นทางเดิมแต่ก็กลัวจะเห็นอีกก็เลยให้แฟนขับค่ะพอขึ้นรถได้ค่ะไม่พูดไม่จาอะไรกันเลยนั่งเงียบไม่มองข้างทางนั่งเอนเบาะมาทางแฟนอย่างแบบเดียวเลยคือไม่ไม่สนใจจะมองวอกแวกเลยแฟนก็คงจะรู้แหละนะฮะว่ากลัวเาก็พลอยเงียบไปไม่ถามอะไรแต่พอถึงจุดที่เราเห็นค่ะอยู่ดีๆแฟนก็พูดว่าต้นไฟต้นนี้หรอตกใจสิคะ หน้าซีดมือเย็นไปหมดตกใจว่าแฟนรู้ได้ยังไงทั้งๆ ท, ท, ที่เขาบอกว่าไม่เห็นที่เขาทักมันคือจุดที่เห็นจริงๆตั้งแต่ตอนขามาพอเขาเห็นอาการของคุณหนึ่งเขาก็เลือกที่จะเงียบนะคะเพราะว่าเขามองเห็นคุณหนึ่งเนี่ยนั่งนิ่งแล้วก็ดูหน้าซีดไปหมดทีนี้พอกลับถึงบ้านพักก็ไม่ได้พูดอะไรอาบน้ําสวดมนต์เข้านอนแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะคุณผู้ฟังคือบ้านที่พักเนี่ยมันเป็นบ้านชั้นเดียว ในห้องนอนมีหน้าต่างตรงหัวเตียงคุณหนึ่งกับแฟนเนี่ยก็ชอบนอนเปิดหน้าต่างเพราะว่าชอบให้ลมโกรกเข้ามาเวลานอนอากาศมันเย็นดีสบายดีไม่ต้องเปิดพัดลมเปิดอะไรเลยแต่ว่ามันจะมีมุงลวดนะคะแล้วก็บานบานเกรดนะคะซึ่งเป็นลูกกรงเหล็กอ่าที่มันกั้นหน้าต่างอยู่แต่ว่าวันนั้นไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันทาให้หลอนไปหมด ตกดึกของวันนั้นเวลากี่โมงกี่ยามก็ไม่ทราบได้รู้สึกตัวแล้วก็พลิกตัวเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถแต่ว่าหูได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้นะ่ฮะเสียงดังมาจากทางหน้าต่างที่หัวนอน ความกลัวมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณหนึ่งเองก็นอนตัวสั่นเลยเนีคะเหงื่อกานนี่แตกโชคเต็มไปหมดแต่ก็ต้องทนห่มผ้าแล้วก็นอนขดตัวอยู่อย่างนั้นและหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เช้าตื่นมาก็รีบแชทถามแม่ครูว่าเราได้ยินเสียงอะไรเมื่อคืนแม่ครูบอกว่าเป็นสัมภเวสีตนเดียว ก, กันกับที่เราเห็นเมื่อคืนนี่แหละเขาตามมาขอส่วนบุญก็เลยบอกไปบอกตอนสวดบุญก็นึกถึงเขาแผ่ไปให้เขาเขาไม่ได้รับหรอคะ แม่ครูบอกว่าเขาแค่อยากให้หนูแผ่ให้เขาแบบเจาะจงเพราะว่าบุญที่เราแผ่ให้ในครั้งแรกเนี่ยช่วยได้เพียงแค่ทําให้เขาออกจากที่ตรงนั้นได้เท่านั้นเองและในคืนนั้นนะคะคุณหนึ่งก็สวดมนต์แผ่ให้เขาโดยตรงแล้วก็ไม่เห็นไม่ได้ยินผู้หญิงคนนั้นอีกเลยแล้วก็สวมมดมนต์บทนั้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งทุกวันนี้ก็ยังทําตามปกตินะคะจนเวลาผ่านมาอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆค่ะ ก็ต้องเดินทางไปต่างอำเภอเพื่อไปร่วมงานเลี้ยงส่งหัวหน้าที่ทำงานอยู่ทุกอย่างก็เหมือนไม่มีอะไรแต่สิ่งที่แปลกเกิดขึ้นกับคุณหนึ่งอีกครั้งคือขนลุกตั้งแต่เท้าถึงหัวเข่าตลอดเวลาจะนั่งจะนอนจะเดินอาบน้ำกินข้าวทำอะไรก็ตามเป็นยังไงก็ไม่หายเสทีนับได้เป็นเวลาเกือบสองวันมันต้องมีอะไรแปลกอีกแล้วก็เลยแชทถามแม่ครูสิ่งที่แม่ครูบอกนะคะก็คือมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งตามเรามา แม่ครูถามว่าที่ที่เราไปเมื่อ2วันก่อนนั้นเนี่ยไปไหนระหว่างทางเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่ที่ใหญ่มากๆเรียงกัน4 5หต้นอยู่ข้างทางใช่ไหมก็เลยตอบไปบอกเออมีค่ะมันมันมีแบบที่แม่ครูพูดจริงๆนะคะแล้วก็ที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นถนนที่ถนนข้างสานักงานใหม่ที่หัวหน้าย้ายไปทำงานอยู่แม่ครูก็เลยพูดต่อว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะ เขาเห็นกระแสบุญจากหนูเขาก็เลยตามมาขอส่วนบุญก็แผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาแบบเจาะจงไปให้เขาซะซึ่งคืนนั้นเขาก็สวดมนต์แผ่เมตตาเจาะจงไปให้อาการขนลุกที่เป็นมาเกือบ2วันก็หายไปอย่างประหลาดใจนะคะแต่ว่าเรื่องยังไม่จบค่ะผ่านมาอีกอาทิตย์หนึ่งสิ่งที่ทำให้ต้องเลิกสวดมนต์บทนั้นแบบฉบับเต็มๆอีกเลยก็คือวันนั้นสวดมนต์แล้วก็เข้านอนตามปกติ แต่เวลาประมาณตี35นาทีได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเรียกชื่อคุณหนึ่งที่หน้าต่างหัวนอนเรียกชื่อที่ไม่มีคนอื่นเรียกนอกจากแม่เพราะชื่อนี้เนี่ยแม่เรียกคนเดียวคือขมูลถึง3ครั้งแล้วก็เอะใจเอ๊ะทำไมมาเรียกตรงที่หน้าต่างหัวนอนหรือแม่จะไปตลาดเรียกเรามาหุงข้าวหรือเปล่าก็เลยจับโทรศัพท์มาดูนาฬิกามันเป็นตี35นาทีเอ๊ะที่2เลยคุณผู้ฟัง แม่จะไปตลาดทำไมตอนตี3ไม่ใช่และดีนะคะที่ยังมีสติไม่ขานรับส่งไปก็นอนเงียบอยู่พักใหญ่ก็ไม่มีเสียงเรียกอีกแล้วก็พลอยหลับไปเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็นำไปปรึกษาแม่ครูอีกคำตอบที่ได้คือมันน่ากลัวทุกทีทุกทีแม่ครูบอกดีนะที่หนูไม่ขานรับไม่งั้นเขาจะเข้ามาแทรกหนูได้ ดวงวิญญาณดวงนี้เป็นดวงวิญญาณที่กล้าแข็งมากผ่านมาเห็นกระแสบุญของหนูก็เลยอยากจะมาพึ่งบารมีถ้าหนูขานรับเข้าเนี่ยเขาจะแทกร่างหนูได้ต่อจากนั้นครูก็ตอบไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหตุผลลึกตื้นหนาบางแค่ไหนไม่รู้นะคะทำไมเขาถึงจะแทกเราได้จะทําอะไรอะไรได้มากเหมือนที่แม่ครูพูดขนาดนั้น แต่เราผู้ที่เพิ่งเริ่มฝึกเริ่มปฏิบัติคงไม่อาจรู้ได้แล้วก็เลือกที่จะถอยห่างจากสิ่งเหล่านี้โดยการไม่สวดบทแผ่เมตตาบทนั้นอีกเลยก็เพราะกลัวเนาะกลัวว่าจิตที่ไม่มั่นคงพอไม่พร้อมพอที่จะเห็นอะไรรับรู้สิ่งเหล่านี้เอาจริงแล้วก็กลัวเป็นบ้าสวดมนต์แบบธรรมดาธรรมดาดีกว่านะคะ เรื่องที่คุณหนึ่งส่งมาเล่าให้ฟังนี่ต้องบอกว่าน่ากลัวค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็น่าตื่นเต้นไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าการมองเห็นพูดผีปีศาจหรือว่ามองเห็นสิ่งที่ตาเนื้อไม่สามารถที่จะมองเห็นได้หรือว่าใครหลายๆคนไม่สามารถที่จะมองเห็นในสิ่งที่คุณหนึ่งมองเห็นได้นี่มันจะน่ากลัวมากแค่ไหนนะคะแบบนี้แหละนะคะพระท่านที่มีอภินญญาญาณที่สูงท่านสามารถมองเห็นได้ แม้กระทั่งทางจิตแม้กระทั่งทางตาเนื้อทำไมท่านถึงไม่กลัวทำไมท่านถึงควบคุมสติได้ทำไมท่านถึงรู้ก็เพราะว่าท่านถูกฝึกจิตจิตอยู่ภายใต้จิตอีกทีหนึ่งคุณผู้ฟัง จิตไม่สามารถที่จะหลอกลวงท่านได้ท่านมีสติสัมปชัญญะท่านรู้ท่านทั น, นทุกอย่างแล้วก็ท่านเห็นทุกอย่างท่านก็เลยปล่อยวางแล้วก็นิ่งเฉยนะคะกับสิ่งที่มองเห็นเหล่านั้นถ้าเป็นมนุษย์คนเราทั่วไปที่ไม่มีการฝึกอบรมจิตไม่มีสมาธิไม่มีสติดีพอสมควรมองเห็นได้ก็อาจจะเป็นเหมือนคุณหนึ่งบอกกลัวเป็นบ้าเป็นหลังไปนะคะ เรื่องราวทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณสําหรับทุกๆ ท, ท่านที่ส่งเรื่องเข้ามาทาง Facebook Fanpage พระเจอผีด้วยแล้วก็วันนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีของเรานะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตคลิปใหม่ๆด้วยนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ